พอนอบน้อมแด่พระภูมิพระภากรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมพร้อมกันนี้ก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูบชา พร้อมกันไปด้วยการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชการนั่งขัดสมาธิเพชนี้ง่ายไม่ใช่ยากมันคากิเลสในหัวใจของเราตังหากจึงว่ายากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน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 ไม่ใช่คนเท่าหลังกองคอนนมให้หลังซื้อนั่งสงาผาเผยยาได้หน้าหิ้วคิ้วกระหมดทาจะใจให้เบิกบานหน้าตาให้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอกไขไหลผึ่งหน้าตาเบิกบาน ไล่ที่เสาเหงานอนออกไปให้หมดสิ้นยังจิตใจให้ข้ามพ้นจากอุปสรรคต่างๆนานาโดยเฉพาะเวลานี้กำลังเข้าฤดูหนาวจ็ดมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา ว่าหนาวเราไม่สบายหนาวก็คือความทุกข์ของโลกของโลกประขันนั่นเองเมื่อความทุกข์ไม่ว่าจะหนาวร้อนภัยอันตรายใดๆก็าตามพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านตรัสว่าเมื่อมีทุกข์อันใดเกิดขึ้นอย่าไปบน่น ให้อดทนเอาหนาวมาเราก็อดทนเอาได้ร้อนมาก็อดทนได้ฝนตกมากน้ำท่วมก็อดทนเอาอย่าไปบ่นให้มันว่าน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมันไม่ว่ามนุษย์คนเรามันว่า พระธรรมวินัยสัตถูศาสนาคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้านั่นไม่ใช่ไปแก้อื่นแก้ใจกิเลสลาคะในใจของเราเลยให้หมดไปสิ้นไปแก้ใจกิเลสโทสะใครว่าอะไรพูดอะไรทำอะไรไม่ถูกใจตัวที่โกรธอันนี้ลหละค่ามันตาย เคออยยาต่อเติมส่งเสริมเมื่อไม่ต่อเติมส่งเสริมมันก็ดับไปเหมือนไฟมันลุกขึ้นเราก็รีบดับหรือระวังไฟไม่ให้มันเกิดขึ้นทีนี้คนเราไม่เป็นอย่างนั้นพราะไฟมันเกิดขึ้นเอาเชื้อเพลิงเชื้อไฟใส่เข้าไปอีกมันก็ลุกใหญ่ การภาวานาบริกรรมไม่ว่าจะเป็นบริกรรมอันใดคือว่าเป็นอุบายให้จิตใจนี้สงบตั้งมัน่นให้ได้ถ้าจิตสงบตั้งมั่นไม่ได้อะไรไม่ได้หมดเลย ดู อ, องระ ส, สดาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเราในวันที่พระองค์จะได้ตรัสลู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธยา น, นั่นพระองค์ตั้งสัตธิฐานลงไปว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นังหุ่มกระดูกก็ตามที มันจะตายก็ให้ตายอยู่ในที่เน่าภาวนานี้พระองค์ไม่ท่อถอยในหัวใจด้วยอำนาจทานบา ร, รมีสีนบา ร, รมีของพระองค์พาให้น้ำพระทัยใจพระพุทธเจา้าองค์อาจกล้าหานเรียกว่าไม่กลัวตาย แล้วท่านยังสามารถตั้งใจลงไปว่าถ้าหากว่าคืนนี้ไม่ได้ตรัสโลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดไม่บินทบาทมาถันมาเสวยอะไรหละข้าจะยอมตายในที่นั่งนี้ เมื่อท่านระลึกถึงทานะบาลมีสีนบาลมีเนคขมะบารมีปัญญาบาลมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบาลมีเมตตาบาลมีอุเบกขาบาลมีบารมีทั้งสิทธิข้อแต่ละข้อละข้อท่านบำเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ ได้ครบถ้วนอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงสุดที่ว่าทานบาลมีทานอุป ป, ปาละมีทานปารมัตถะาลมีคือพระองค์ทาได้ไม่ใช่พระองค์พูดได้อย่างเดียวพระองค์ทาได้ตัดได้ละได้จริงๆ เมื่อพระองค์ละลึกถึงบรารมีธรรมทั้งสามสิบทัพนามพระไทยใจพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอยมเมจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงยิ่งกว่าแผ่นดินนามพระไทยใจพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าแผ่นดินอย่างไร พระองค์ไม่หวั่นไหวแผ่นดินยังมีหวั่นไหวได้คิดดูสิเวลาแผ่นดินที่โน่นที่นี่มันหวั่นไหวแผ่นดินไหวบ้านเรือนมนุษย์พังทลายไปแต่ด้วยสัจจะอธิฐานบรารมีของพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นมั่นคงกว่าแผ่นดินท้องฟ้าไม่หวั่นไหว คือท่านสละความสุขสะดวกสบายออกจากจิตใจของท่านได้หมดกิเลสลาคะท่านก็เลิกละได้กิเลสโทสะท่านก็ตัดขาดเรียกว่าตัดสรูกกิเลสโมหะท่านก็ละทิ้งตัดขาดเมื่อพระองค์ตัดละทำลายกิเลสเหล่านี้แล้ว จิตใจของพระองค์ก็หลุดพ้นคำว่าหลุดหรือพ้นออกมามันไม่ใช่ว่าอยู่ในกิเลสมันถอดออกมาถอนออกมาจิตใจพระพุทธเจา้าพระอริยสงสาวกเจ้าทาั้งหลายนั่นท่านเปรียบปุ๊มาเหมือนอย่างว่ามนุษย์ที่สมมุติว่าทองคำ เป็นโลหะที่สวยสดงดงามสีสันวันณนะดีแต่ว่าทองคำที่เราเห็นว่าเป็นทองคำเดิมมันอยู่ในแร่ในหินแร่ทองคำมนุษย์ไปขุดค้นเอามาแล้วก็หลอมหลอ่อใช้ความร้อน ที่สุดทองคําน้ําทองคําก็ไหลออกจากแร่นะจากหินนั้นเป็นโลหะทองคำผ่องใสบริสุทธิ์เทนี้จะเอาแร่ทองคํานั้นไปคลุกเข้ากับหินแร่ธาตุหินที่มันอยู่นั้นก็ไม่ได้หละมันออกมาได้แล้ว เนรจิตใจพระพุทธเจ้าพระอาราหาันตาเจ้าทาั้งหลายคือมันออกมาแล้วออกจากคารวาสญาติโยมออกจากกิเลสความโกรธความโลภความหลงเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกมาจากโลหะแร่ทองคำนะแต่ว่าแร่ทองคำ ในเมื่อเวลาทองคํามันอยู่ในแร่ไม่ใช่ว่าไปตั้งนโมขอให้แร่ทองคํามันไหลออกจากไอ้ทองคําไหลออกจากแร่ทองคํามันไม่ไหลแหละมันจะไหลได้อย่างไรเขาอาไฟเผาก็เอาความร้อนเผาเข้าจนกระทั่งว่ามันร้อนสุดขีดเหลือวิสัยทองคําจะอยู่ในแร่ได้หระไหลออกมา เน่หละใจเราทุกคนที่ว่าทำไมข้าพเจ้าจึงละความโกรธไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้มันก็แบบนี้แหละคือการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐา น, นา ก, รรการนั่งสมาธิเดินจมกลมทำอะไรมันได้นิดๆหน่อยๆ มันไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันยังไม่เต็มที่แล้วก็ไปท่อแท้ออนแอมีแต่ความอยากได้ว่าทาอย่างไรข้าพเจ้าจึงได้ได้สำเร็จเร็วเร็วก็ภาวนาอย่าไปท่อถอยชีดูตัวอย่างเขาเผาแร่ทองคำเอาจนทองคำไหลออกมาได้ เราทุกคอนมีกายมีรูปมีนามมีกายมีจิตเนือ้อพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่านามมะรูปังอนิจจนามในรูปไม่เทีย่ยงนามมารูปังทุกขงังนามในรูปเป็นทุกนามมารูปังอนัตตานามในรูปไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพสังขาลาอานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยง สัพเพธรรมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทาั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้มันเป็นเพียงปริยัติธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้แล้วเราที่จะมาทำจิตใจของเราให้ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวจึงจะเข้าใจว่าโลกนี้มันไม่เที่ยง อันความไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกยอมยา้ามีอยู่ทุกโลกแลลวไม่ว่าโลกใดมันไม่เที่ยงทั้งหมดแต่ว่าผู้ปฏิบัติจิตใจไม่ตั้งมั่นเสียก่อนมันมองไม่เห็นกิเลสโลเลมันมีอยู่ในจิตในใจนี้ตาเห็นลูกกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามลูก หูฟังเสียงกิเลสโลเลมันก็หลงไปตามเสียงคือไม่ตั้งมัน่นลงไปในจิตในใจให้มั่นคงที่สุดมั่นคงขนาดไหนนาะมั่นคงกว่าแผ่นดินแผ่นดินยังวันไหวได้จิตใจพระพุทธเจา้าพระอริยเจา้าทั้งหลายท่านไม่วันไหว มันจะตายก็ช่างมันเป็นไรธาตุดินมันตายธาตุน้ำมันตายธาตุไฟมันตายธาตุลมมันตายความจริงธาตุดินเขาก็ไม่ได้ตายไปไหนร่างกายมนุษย์คนเรามันแตกไปมันก็ไปสู่ดินมันไม่ได้ตายไปไหนมันเปลี่ยนที่มาประชุมกันอยู่ เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่ตัางหากมันตายแล้วธาตุดินมันก็ลงโซธาตุดินจับเขาไฟฝังดินมันกูดินนั่นแหละธาตุน้ํามันก็ไปในธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมันก็ไปตามธาตุไฟธาตุลมไอความจริงมันไม่ได้ตายห้ามว่าตายมานุษย์สมมติเอาที่มันมาประชุมกันเข้าเป็นตัวตนสัตว์บุคคล เมื่อถึงเวลาแตกดับทำลายตายไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่มันก็แปลสภาพไปสู่ธาตุเดิมของมันอยู่ที่เดิมนั่นแหละผู้มีปัญญาภาวนาจนเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมมองเห็น ไม่เห็นอย่างใดมันเมโยมันตำตาอยู่ตลอดเวลาอันสิ่งที่ไม่เที่ยงตัวเรามันเที่ยงที่ไหนทุกคนมาปฏิสนทิวิญญาณในท้องมารดาในท้องแม่ทำไมไม่อยู่ในท้องแม่นั้นเกิดมาทำไมก็นั่นแหละคือความมันไม่เที่ยง มันโยได้ชั่วระยะหนึ่งของมันเท่านั้นเองแล้วก็คลอดมาเกิดมามาลองให้น้ำตาไหลวุ่นวายอยู่ในกองอุจจาระปัสสาวะทางนอกอีกไม่นานด้วยอำนาจวิดามานดาผู้บังเกิดกล่าวให้นำ้ำให้อาหารให้น้ำนม โลภะขันร่างกายนี้มันก็จะเลิญไปโดยลดําดับหมายถึงผู้ที่มันยังจเจริญไปถ้าผู้บางคนก็เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีไม่แน่ที่มันจะเจริญไว้ใหญ่โตอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดกลาช่วยดูแลรักษาไม่ใช่เราใหญ่มาเอง่ มนุษย์ไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายสัตว์บางจําพวกมันเกิดมามันหากินเองได้มนุษย์เรามันไปหากินเองได้ที่ไหนหากินเองไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ดูแลรักษาแล้วตายตายลูกเดียว อนั่นคนเราที่ไม่รู้จักคุณบิดามารดาที่เลี้ยงนางลมผู้ดูแลเข้าใจว่าไม่มีผู้มีคุณไม่เห็นผู้มีคุณผู้มีคนแก่เล่าดิดามารดาเป็นผู้มีคุณหรือว่าเป็นอาจารย์ต้นอาจารย์แรก เป็นพระอาราหันต์ของโลกฉะนั้นท่านจึงให้เคารพนับถือบิดามารดาไม่ใช่เราใหญ่เองเราได้พึ่งพาบุญบรารมีของพ่อแม่จึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเมื่อเราได้พึ่งบุญบรารมีของท่านแล้วเราต้องเห็นคนของท่านท่านเลี้ยงเรามา ใหญ่แล้วเราก็ต้องภาวนาทำคุณงามความดีให้มันจเจริญก้าวหนะ้าแม้ท่านจะล่วงลับไปแล้วส่วนหนึ่งแล้ว่าแบ่งมาเป็นตัวเราพ่อแม่อยู่ที่ตัวเราแบ่งเอาธาตุดินน้ำไฟลมจากท่านมา เราต้องรักษาตัวเราให้ดีให้ตั้งโยนการบำเพ็ญทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของตนอย่าได้มีความท้อถอยมันจะหนาวขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหว ทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนเราจะต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสงบจิตสงบใจให้ได้ทุกคืนเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนหรือว่าเราจะละกิเลสครั้งเดียวให้มันหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหรันตตาเจ้าทั้งหลายนั้นก็ได้ มรคนิพานสัตโตศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระปริยัติปฏิบัติปฏิเวกมันมีอยู่ครบถ้วนถ้าเราแรงภาวนาไม่ท้อถอยไม่ถอยหลังเข้าหากิเลสไม่ถอยหลังเข้าครองลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสลาคะโทสะโมหะ มีมากน้อยเท่าไรละเด็ดขาดในใจของเราไม่เจียวเกาะกังวลจนเด็ดขาดได้เมื่อมันออกได้ละได้จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าแร่ทองคำกับทองคำมันแยกกันแล้วเดี๋ยวนี้จิตคนเรามันยังไม่แยก ชาปะธรรมมันยังไม่แผดเผากิเลสถ้ามันแยกออกไปได้มันยังโยในหัวใจกิเลสราคะมันยังมาเป็นเจ้านายในหัวใจเราอยู่ต้องลกขึ้นภาวนาตัดสินใจให้เด็ดขาดตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่ามาลุ่มหลองมัวเมาเฮเฮฮาๆ า, าอยู่ในโลกนี้ เกิดมามีสมบัติอะไรติดตัวเรามาเวลาตายไปได้สมบัติพัฒสถานอะไรติดตัวเราไปเค็โ ด, ดูให้รู้แจ้งด้วยตนเองไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงจิตใจมันไปกินปองอยู่ทางไหนทำไมไม่ลุกขึ้นภาวนาตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาสิ ฟังธรรมไม่ให้เหงานอนฟังธรรมให้ทําในใจไปด้วยจีเลตลาคะพระพุทธเจ้าสอนให้ละเราละหรืออย่างไม่ละกูละเดียวนี้มันมีทุกมีโทษในจีเลตลาคะตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าทันให้เห็นว่า กิเลสลาคะตัณหานั้นเหมือนกับงูเหา่างูจงอางงูที่มีพิษเมื่อเราเห็นงูก็ย่อมเห็นหัวงูเที่ยวงูมันมีพิษถ้าเราประมาทไปใกล้ไปเหยียบมันมันก็กัดเอาต่อยเอาแล้วเราจะเป็นอย่างใดก็ตาย ไม่ตายก็คางเหลืองนี่แหละกิเลสราคะตัณหาน่ะเมื่อมันมีในใจของเราเราไม่ละไม่ถอนมันก็ก่อเหตุให้เป็นทุกข์จองให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองคนเราเกิดมาทีแรกนั้นเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียว เราไม่ภาวานาละกิเลสอำนาจลาคะตัณหาก็เกิดมีขึ้นในจิตในใจของเราเพราะมายึดว่าตัวเราของเรามาเห็นว่าลาคะกิเลสเป็นความสุขมันให้ทุกข์เมื่อภายหลังแต่เราไม่เห็นเพราะว่ามานกิเลสมันบังหูบังตาไว้ไม่ให้ดู เมื่อเราปล่อยให้อำนาจกิเลสลาคะตันหามาอยู่ในใจมันก็เกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาลูกของกูหลานของกูวุ่นวายต่อเนื่องกันไปโดยลาดับสิ่งเหล่านี้เราต้องกําหนดพิจารณาให้มันเห็นแจ้งด้วยปัญญาตาใจของเราก่อน ตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้ายอนถูกต้องตามธรรมนองของธรรมเราจึงจะเห็นว่าพระพุท ธ, ธเจ้าท่านแสดงธรรมไว้ดีจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านข้ามพ้นไปได้ด้วยอุบายธรรม ท่านไม่ท้อแท้อ่อนแอท่านลุกขึ้นยืนยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของท่านได้เราไม่ได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่ตั้งใจไม่ลุกขึ้ น, นอนหลับนอนไหลอ ย, อยู่ตลอดเวลาที่เรามาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะนั่นเอง พาให้เกิดเกิดมาแล้วจะไม่ให้แก่มันก็ไม่ได้กั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้อีกกั้นไม่อยู่เกิดมาแล้วจะไม่ให้ตายจะให้อยู่ท่าเดียวไม่ได้อีกเหมือนกันมีใครไม่ตายในโลกนี้โลกประขันเป็นเกิดได้ตายได้ แม่องคพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังดับขันเข้าสู่นารูปส่วนรูปร่างกายมันก็แก่ชราเจ็บไข้ตายเหมือนมนุษย์คนเรานั่นเองแต่จิตใจท่านไม่ตายใจท่านออกจากออกจากรูปจากนามจากตัวจากตนจากชาติจากจัตตะกูล จากตัวเราของเราตัวข่าของข่าตัวโกของโกข่าเป็นนั่นข่าเป็นนีท่านออกได้ออกได้ด้วยปัญญาออกได้ด้วยศีลสมาธิปัญญาออกได้ด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ออกเอาเดือเดดไม่ได้ต้องรู้แจง้งแทงตลอดทบทวนไปมาทุกอย่าง ยอนไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวเกาะกังวลในจิตใจของท่านเหมือนแร่ทองคำมันไหลออกจากแร่อย่างนั้นสติปัญญาศีลสมาธิปัญญาวิชาวีมุตตความหลุดพ้นภายในจิตใจอย่าบังเกิดมีขึ้นไม่ใช่นั่งนั่งนอนนอนคิดคิ ด, คดฟุ้งซ่านอยู่ท่านทำงาน เป็นงานภายในแม้งานภายในก็ตามมันก็เกี่ยวโยงถึงงานภายนอกกายวาจาจิตศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาให้นั้นอย่ามาลังเลสงสัยอยู่ให้รีบเร่งภาวน า, เ ด, นนา เ, ดนเดินหน้าเดินเดินหน้าเดินไปข้างหน้า อย่าไปท่อถอยอย่าไปถอยหลังเข้าครอกิเลสอันใดที่เราได้เลิกได้ละมาได้แล้วก็ให้ละทิ้งต่อไปคุณงามความดีบุญกุศลอันใดที่เราทำได้ปฏิบัติได้แล้วก็รักษาไว้ทำเลือดไปคำสอนของพระพุทธเจา้าจึงมีอยู่ว่าให้พากันละบาป คือไม่ให้ทำบาปในทางกายต่อไปอีกไม่ให้พูดให้กล่าวบาปในทางวาจาอีกไม่ให้คิดบาปในใจอีกต่อไปเดียววันละบาปละบาปนั้นต้องละด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิต ด, ด้วยใจจริงๆไม่ใช่ละแต่เพียงว่าคิดๆไปความคิดนิดหน่อยเท่านะพูดไปวันละกี่เลย ไม่ได้อย่างไรไม่ได้กายก็ละวาจาก็ละใจก็ละละจนหลุดหลุดจนพ้นพ้นจนมีสติปัญญาเหมือนพระพุทธจาพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละท่านปฏิบัติบูชาภาวนาหนาวมาท่านก็ไม่ทุกข์กดดินมันหนาวช่างมันเป็นไร เดนน้ำไฟลมธาตีขันห้าอาญตนะทั้งหลายมันหนาวเขาหนาวเราจะเป็นหนาวทาไมใจมันจะหนาวได้หรือถ้าใจไม่ยึดไม่ถือใจมันหนาวกายมันหนาวเพราะว่าเจตมันยึดถือถ้าเจตไม่ยึดถือหนาวมันก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นเจตเราก็ภาวนาละกิเลสลาคโทสะโมหะ สงบจิตสงบใจสงบกายวาจาจิตอยู่หนาวมันจะมาทำอะไรได้หนาวมันไม่มีตัวมีตนอะไรมันอากาศเมื่อจิตมายึดกายเป็นตัวเราของเรามันก็เข้าใจว่าเราหนาวแท้จริงธาตุดินเขาหนาวช่างมันเถิถดธาตุน้าเขาหนาวช่างมันเป็นไร ธาตไฟธาดลมเขาหนาวเขาร้อนช่างมันเป็นไรใจเราให้มันเลิกได้ละได้ไม่ใช่ตัวกูของกูไม่ใช่ตัวข้าของข้าจิตมันจะมายึดถือไว้ทำไมเลิกละเดี๋ยวนี้ฮะมันเด็ดขาดลงไปไม่เด็ดขาดก่อนนั่งภาวนาให้มันตายอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องคิดกลับบ้านกลับเมือง ภาวนามันตายแห้งอยู่ที่ถ้ำผาปล่องต้นไม้เยอะแยะอย่าไปกลัวจะไม่มีฟืนเผาตายเมื่อใดเผาทิ้งมนันนั่นนั้นอย่ามาย่อท่อในหัวใจอยู่ใจให้มันใหญ่เท่ามาพลานะ้านอันนี้ใจลิบลีอะไรอะไรมากระทบกระเทือนก็ วันไหวสันสะเทือนเรียกว่าเป็นคนใจน้อยหัวใจน้อยหัวใจน้อยเท่าปลายเข็มใจไม่ใหญ่ใจไม่กล้าใจไม่เสียสละเสียสละชีวิตลงไปซี่ไปยึดไปถือไว้ธรรมา ยึดมาอย่างนี้หลงมาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติแล้วถ้าเราไม่รู้จักปล่อยจักวางไม่เลิกละบัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปมันก็จะติดแน่นอยู่ในที่อันเก่าเพราะว่าโลกนี้ท่านว่ามันเป็นวัตตะสงสารตามมาพบลูกประพบอะลูกประพบที่ไหนมันก็กิเลสกรรมวัตถุกรรมทางนั้นแหละ ถ้าผู้ภาวนามันแจ้งในจิตในใจแล้วอะไรอะไรมันเกิดขึ้นก็ย่อมมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลังเหมือนกันหมดผู้มีปัญญาพิจารณาจงเห็นแจ้งด้วยธรรมะปฏิบัติ ม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตามันมาเห็นใจคิดดูให้เห็นใจของเราใจของเราที่เราว่าใจเราต้องเห็นเห็นว่ามันไม่เที่ยงอะไรคนสัตว์วัตถุาธาตุทั้งหลายมันไม่เที่ยงเห็นว่าไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าลูกคนลูกสัตว์รูปวัตถุทั้งหลาย หลับตาก็มองเห็นลืนตาก็มองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้จิตยังจะมายึดว่าตัวกูของกูตัวเราของเราที่ไหนถ้ามันเป็นของเราจริงก็หนาวก็ไม่มีสินี่มันมีมันเป็นก็เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใคร เมื่อไม่ใช่ของใครแล้วทำอย่างไรก็ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาพิจารณาจนมันแหลกลานเหมือนเขาหล่อทองหล่อพระพุทธรูปที่เราไหว้บูชานั้นเวลาเขาจะหล่อเทลงในเบ้าในลูกพระพุทธรูปมันต้องครบทุกอย่างทุกประการ เรียกว่าสมบูรณ์แบบจนต้มหุงทองที่เป็นโลหะเหลวเป็นน้ำาิดนดูสิมันครบทุกอย่างเพราะเหลวเป็นน้ำเบาอะไรดีมันก็เทลงเบาก็เป็นพระพุทธโลกขึ้นมาหรือว่าเป็นทองคำขึ้นมามันออกจาก กระนิ่งทองทั้งหมดเมื่อเราพิจารณาลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลโลกนี้มันไม่ละลายเป็นน้ำมันจะได้อย่างไงเหมือนหล่อพระหุงทองแต่ต้มทองไม่เปื่อยมันก็เทลงเบ้าได้หรือมันจะเข้าไปอยู่ในเบ้าเป็น พระทองได้ที่ไหนเจตนี้ก็เหมือนกันเรายังจะมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลกดูคนรุ่นหลังเขาตายไปนับไม่ถ้วนจะเป็นตระกูลไปเจ้าพระราธามหาอัมมัดอย่างไรก็ตาม ดังว่าถ้าตระกูลพระพุทธเจ้าของเรากรุงก บ, บินดภพัทไปดูสิเดี๋ยวนี้มันยังเหลือแต่ซากอิศากูลฐานมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนเจ็ดยังจะมายึดมัน่นถือมัน่นตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาต้องระลึกถึงพระพุทธเจา้าที่ท่านว่าให้ภาวนาพุทธโธ ไม่ใช่พุทธอแค่คำพูดปลายลิ้นนี่พุทธโอพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานรักษาศีลปาวนาพุทธโอพระพุทธเจ้าละบาปบำเพ็ญบุญจรีนสมถะกรรมฐ า, านวิปัสสนากรรมฐ า, านจนจิตใจสา ม, มารถอ่านขบคิดปัญหาด้วยตนเอง แก้ไขตัดสินในใจของท่านเองเด็ดข่ะความเฉลียวฉลาดสามารถอาฐานของท่านอันเรียกว่าควรบูชาจาักการะบูชากราบไหว้นับถืออย่างสูงทีเดียวแล้วก็ให้เราทุกคนที่มีใจครองอยู่ในร่างกายสังขารนี้รีบเร่ง บำเพ็ญปฏิบัติบูชาภาวนาให้นหนักหน่วงทีเดียวการทำบุญสุนทานก็พอประมาณแต่ว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี้ไปทำเล่นๆไม่ได้ติดข้องพัวพันอยู่ไม่จบไม่สิ้น การภาวนาหรือระลึกถึงความตายพระพุทธองค์ท่านจึงเตือนว่าเนิดให้ได้จเจริญให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกมองเห็นความตายที่จะมาถึงตน ต, นตลอดเวลาแม้พระองค์ท่านท่านก็ไม่ได้วันไหวมองเห็นตลอดกีเวลา ว่าร่างกายสังขารลูกประขันของพระองค์ย่อมมีความแตกตายเป็นธรรมดาแม่เราๆท่านๆก็เหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแกชาา่ชราต้องเจ็บไข้ต้องตายเราต้องรีบเร่งภาวนาเอาจนปัญญายานเกิดขึ้น จึงจะละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของตนของตนฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้ให้เราท่านทั้งหลายกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศน์นี สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขิธิคาโยโกภวะอหิวาทนาชิริสนิจังวุตธาปิจายิโนจตารโรธรรมาวทชันติอายุวนโนสุขังคาลัง